มนเพื่อนกิตตุสมเนรตั้งใจฟังแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านตั้งใจฟังการฟังก็เสมือเหมือนว่าเรียกร้องเรียกร้องให้เรามาฟังกันเองอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าไปที่ไหนต้องเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องอะไรเราเรียกร้องให้มาฟังกันเองฟังคําพูดคําเตือน ดังนั้นการฟังเทศน์นต้องเข้าใจถ้าหากไม่เข้าใจแล้วมันก็ได้ผลน้อยหรือมันไม่คุ้มค่าที่เรานั่งเลยพูด อ, อย่างนี้ก็ค่อนข้างหนักแต่มันไม่นักถ้าไม่คุ้มค่าที่เรานั่งแล้วก็เสียเวลาคนฟัเทศ น, น์เวลาเป็เงินเป็นทองเพราะว่าอาเซียแต่และคนละคนเสียร้อมือนะอาเซียแต่และคนละคนไม่เหมือนกัน ไปทำงานเนี่ยวันพิษวันเสาร์พักงานบางคนวันเสาร์ยางไม่ได้พักพักวันพิษนี่ยบางคนก็ได้พักวันเสาร์พิษเป็นอย่างนั้นจวัวอาเซียไม่เหมือนกันดังนั้นคนกรุงเทพยังแรงนานมีคามากไม่เหมือนกับที่บ้านหลวพ่อก็เสียงไม่ค่อยดีนะเสียงมกล้องเนี่ยหันลําโพงตัวข้างนอกดีนะเสียงก้องต้องทํามาจังหวัดต้องตั้งใจจริงๆถ้าหากไม่ตั้งใจแล้ว จะเข้าใจไม่ได้ผลที่เราเปิดอบรมกันมานี่ตั้งแต่วันที่สามติดเป็นเวลาห้าวันก็รู้สึกว่าเป็นจํานว น, านน้อยที่ยังเข้าใจรูปนา น, นก็เลยเดี๋ยววันนี้ที่จะเข้าใจผมคิดก่อยิ่งน้อยไปวันนี้ที่จะเข้าใจว่าการเดินเข้าไปจริงๆเรื่องชจริงๆก็ยังน้อยไปแล้นั้นจะเรียกร้องให้พวกเราฟังอยู่ก็ยัง น้อยที่สุดจะเป็นคนกลุมน้อยมากดังนั้นปีเก่าที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีใหม่ปีเก่าที่ผ่านไปแล้วเราจะไปยกเรื่องเอาอาดีตที่ปีที่แล้วมาพูดมันก็ไม่ได้ผลวันนี้เราจะไปยกเอาอะไรมาพูดกันยกปัจจุบันทุนอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ผลอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ได้ผลมันจะได้ผลดีแต่เท่าปัจจุบันเท่านนเอ ดังนั้นการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญวิปชานาก็ตามแต่สมถะไม่ต้องพูดบันนี้การให้ทานเนี่ยท่านว่าพอแม่ครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังการให้ทานร้อยครั้งพันผลอานิสงส์นั้นแหละจะได้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องว่าทานให้จัเดเอกสารทานให้คนผู้ศีนคนผู้มีศีลคนไม่มีศีลทานนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันยาวการให้ทานเนี่ยร้อยครั้งพันผล ก็ตามสู้คนรู้สึกค้ั้งเดียวไม่ได้นะการรักษาศีลจะทําให้จิตใจเราหนักแน่นเท่าแต่ก็ตามแต่ยังสู้การรู้สึกตัวค้ั้งเดียวไม่ได้ท่านไว้ยังไงการรู้สึกตัวในจิตมีอันยิ่งสงา่าท่านไว้ยังไงทำไมมีอันยิ่งสงา่าเพราะจะให้รู้จากว่าเสียงคนรองอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปหาเสียงคนได้การให้ฐานนยังไม่ได้ยินเสียงคนร้องเราเรียกเรายังไม่ได้ยินเลย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 แต่จะเป็นยุคในสมัยในอดีตเรียกร้องคนมาดูได้เป็นการเรียกร้องให้ญาติโยมมาได้ทุกโอกาสมาได้ทุกเวลาแต่ว่าหลวงพ่อว่าผู้เดียนของเขานนะ่ะมุขจีวรจะเดินกับมุขจากแล้วพระเด่น <c oughs> แล้วอาตมาเข้าใจว่าพระเลนทุกองค์คงจะต้อนรับญาติโยมได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจังหวะัตนามไหนเป็นสาธารณะผู้สนใจแต่ว่าไม่เป็นสาธารณะกับบุคคลผู้ที่ยังติดอยู่ใน โยปลาติเดเบ็ดนั่นเองไม่เป็แต่คนใดที่วิทยออกอยากตัวได้เป็นสาธารณะเลยจริงๆเพราะว่าทีนี้พูดแล้วไม่ต้องติดอะไรทั้งหมดเลยถ้าติดเราก็ไปไม่ได้คำว่าไม่ติดเป็นอิสระคําว่าอิสระนี่ก็ไม่ได้ผลถ้าอิสระทําไปตามใจชอบก็ไม่ได้ผลดังนั้นคําว่าอิสระในทีนี้ผมอยากพูดให้ เข้าใจกันเดีวยวอิสระก็หมายถึงบุคคลที่พ้นไปจากอันตรายนั่นเองถ้าหากยังไม่พ้นไปจากอัน ต, า ans, ตรายก็เป็นอิสระไม่ได้คําว่าอันตรายนั้นทุกคนก็ต้องรู้อ่ะพูดกันน้อยน้อยสุดพ้นจากภูมิโรคภูมโกรธภูมหลงอันนี้ก็บพ้นจากอันตรายเช่นเดียวกันพ้นจากการอิจฉาลิสายาเด็ดเดี่ยวอันนี้กับพ้นจากอันตรายเช่นเดียวกันพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่ันนี้ก็เป็นการเป็นอิสระได้จริงๆรแต่ว่ามันอิสระยังไม่สมบูรณ์ ให้เราเข้าใจว่ า, าพระพริธเจ้าท่านสอนว่าอิสระเดนหมายถึงการเกิดก็ไม่มีการตายก็ไม่มีเช่อพิอิสระเถิดังนั้นทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเคยรับรองและประกรันด้วยนะจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่โกหกไม่หลอกลวงเพราะว่าไม่โกหกไม่หลอกลวงนี่หมายถึงของจริงเรียกว่าอริยรสัจสัจจะจะเป็นของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพัน ถ้าเราไปติดเสียงส น, นเสริญเ ย, ยืนยออยู่ไปไม่พน้นวันนี้เราไปไม่พอใจที่เขาตำมิอินทาก็ไปในคน่พ้นวันนี้เราไปสนเสริญหรือไปติดอะไรอันนึงเดียวติดเบสทำนั้นใช่ปะปานติดเบสฟิตไม่ออกเลยเมื่อเขาติดแล้วเขาจูงปันตามสนใจวันนี้อิสระบันนี่ยคําว่าอิสระก็ไม่รู้จักทิศทางก็ไม่ได้อีกแล้วเหมือนดังนกบินของฟ้าเนี่ยจะไปจุดไหนไม่รู้เลยบินตลอดไปเลยวกไปเวียนมาวกไปเวียนมา ไม่รู้จักจบเลยอันนั้นก็อิสระโดยที่ไม่รู้สึกดังนั้นคําว่าอิสระนี่จะให้เข้าใจบัด น, นี้กลับมาพูดกันเรื่องสัมมาทิฏฐิคําว่าสัมมาทิฏฐินี่ทุกคนรู้เห็นถูกต้อง เ, เห็นถูกต้องเห็นอะไรก็ว่าทําดีได้ดีทํำก็ด้ีอันนั้นก็ถุกแล้ววันนี้ต้องแชกกันเพราะว่าจะเป็นการประเมินประมวลคําพูดคือให้เราจับไปใช้ได้ง่ า, งายๆคําว่าสัมมาทิฏฐินะ่ะคือเห็นตาเป็นตาจริงๆ เห็นหูเป็นหูจริงๆเห็นดังบ้รรพกรณอในบรรดังเห็นจมูกเป็นจมูกจริงๆเห็นปากเป็นปากจริงๆเห็นกายเป็นกายจริงๆนี่ตำหนิแผลที่รี้ลับอยู่ที่ไหนก็รู้นั่นจว่าสัมมาทิฏฐิแผลเอาสมมุติอย่างที่ตำหนิแผลเราอยู่ที่ผ้าปกติดพุ่มที่ไหนก็ตามเราต้องรู้นี่สัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ไม่ใช่ไวเห็นอย่างอื่นอันเห็นอย่างอื่นนั้นถูกแล้วแต่ว่ามันยังน้อยเกินไปดังนั้นอิสระนี่ขอให้เข้าใจนั้น ที่พูดยังนี้ไม่ใส่อวดดีนะไม่ใส่อวดดีพูดตามความจริงที่มีอยู่ในตัวเอามาพูดให้ฟังดังนั้นคนเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็เรามาจากที่ไหนมาเกิดเนี่ยไม่รู้ดังนั้นคนจึงสนใจเรื่องการถามเนี่ยตายแล้ววิญญาณจะเกิดที่ไหนมีจริงไหมอันนั้นยิ่งถามก็ยิ่งไม่รู้เพราะเรายังไม่เห็นแผ่ที่ลี้ับนั่นเองวิญญาณเนี่ยท่านพูดไปอย่างนี้วิญญาณเป็นบาลูแต่ ท่านผู้รู้เยประเมินเอาไว้ว่าไฟที่มันไหม้ไม่ไหม้จะเป็นไม่ดิบก็ตามไม่แห้งก็ตามไม่อะไรก็ตามเมื่อเอาไปสุมประจูกเข้าไฟแล้วไฟมันไหม้เป็นเทาทั้งหมดเลยอันนี้เทาไม่แห้งอันนี้เทาไม่ดิบไม่เคยมีแล้วถ้าเป็นเทาก็เป็นหมดก็จริงๆคนเราก็เหมือนกันตายทุกคนทีเดียวทุกคนแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องตายอันรูปอันนี้นะแต่ว่าผู้ทุกคนก็ต้องตายจริงๆนี่เราให้เข้าใจจริงๆ แผลที่ลีับเราไม่มองเห็นได้แต่บางคนก็ต้องเห็นอย่างที่เราถามกันเนี่ยตั้มีแผ้อยู่ที่ไหนน่ยอยู่ที่ไหนก็จับทุกทันทีเลยแท้ของเราดังนั้นจึงว่าให้เราสนใจเริ่มชีิตจิตใจของเราจีงว่าทุกจริงทุกอย่างมาประมวลลงที่ความรู้สึกตัวนี้เอง <im it> ความรู้สึกตัวอันเนี้ยพิชขึ้นมานี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสัญญารู้เนี่ยสัญญา <im it> ความหมายรู้จําได้เนี่ยอ้าวมั น, น, นคิดได้รู้เนี่ยความหมายรู้จําได้เนี่ย หายใจเข้าออกแน่ความหมายรู้จําได้ตาเลือดสายแหลกหัวเนี่ยความหมายรู้จําได้เอียงมายานี้ความหมายอันความหมายรู้จำได้ทะเลวัดสัญญาสัญญาอันนี้จะประเมินให้สัญญาอันนี่ยจะประมวลให้สัญญาอันนี้จะเป็นสิ่งที่หนักแน่นให้ฉันว่ายังไงหนักแน่นก็เรียกว่าคนผู้ที่มีศิ่งประเมินให้ก็เรียกว่าผู้รู้จักคุณค่าของตัวเองบัดนี้ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง หนักแน่อยู่ในตัวเองแล้วทำไมปัญญาก็รอบรู้บัด น, นี้จะพูดให้ฟังเรารู้จักรูปนามนี่เอาสมมุติเอานะจะบาก็ข้องจริงรู้จักรูปนามแล้วนามอย่างท่วมสิตาเพียงได้ยิงเสียงขนรองมาข้างนี้มาข้างนี้เดินไปได้นี่บัด น, นี้คนรู้จักปรามาัจา์เอาจิตใจเปลี่ยนข้างหนึ่งแล้วเนี่ยเพียงหอนามจะมองเห็นอย่างนี้แต่ว่าไปก็นานถึงบางทีอาจไม่ถึงก็ได้เพราะมันน้ําไหลเที่ยว บ้นนี้ต้องพูดอย่างนี้เดินไปอาจจะลอยก็ได้บ้านหลวงเขาเรียกว่าลอยเมื่อลอยเขาต้องดําเป็นอย่างนั้นบ้า น, นี้คนที่นั่งเพียงอกนี่น้ำเพียงอกนี่อันนี้กระแสดีว่ามองเห็นหน้าตาดั้งเดิมะแต่ว่า ย, ยังจําไม่ได้สนิทหน้าตาดั้งเดิ ม, มเป็นยังไงเนีย่ยเราจะไม่ได้มองนี่น้ําพอเพียงขาเรามองเข้าไปใกล้ๆคนที่อยู่คอยเรียกเรานะคนที่เรียกเรานะมันได้ยินเลยคนที่มาทางนี้มาทางนี้นี่ บันนี้สมมุติพูดนะเนี่ยคนจะไปหาคนต้องมีการเรียกร้องกันถ้าไม่มีการเรียกร้องไม่ต้องสาไปไม่ถึงพอเดินน้ําเพียงขาเพียงเข่าเพียงเพียงเรียกร้องกันมาทางนี้มาเนี่ยเราเดินเข้าไปใกล้หมายถึงว่าเข้าไปใกล้นั่นเองหลวงพ่อพูดนี่น้ําเพียงกลางขามองเห็นหน้าตาก็จะชัดขึ้นบ้านนี้น้ำเพียงเข่ามันเข้าไปใกล้ก็จะมองเห็นชัดขึ้นน้าเพียงเท้าเราบ้านนี้ มองเห็นใกล้อันนี้การแสดงว่าเราจะได้ไปเจอหรือไปเห็นหน้าตาดั้งเดิมพ่อของเราแม่ของเราเป็นยังไงเราจะได้รู้เองอย่าเชืเพียงว่าเออคือพ่อเราคือแม่เราเข้าไปจับแขงจับขาจับเนื้อจับน้ำไม่ใช่พ่อเราจริงไม่ใช่แม่เราจริงอันเดินไปหาพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาไม่ตรง ที่หลวงพ่อพูดนี่อันนี้หลวงพ่อจันได้แต่เมื่ออายุยี่สิบปีไม่หลงเลยคําพูดอันนี้มันฝังแน่นอยู่ในภายใจิตใจเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิชิตธรรมจารย์เนี่ยพูดให้ฟังในประเทศอินเดียมีลอยแปดศาสนาลอยแปดลัทธิลอยแปดนิกายนะท่านว่าอย่างนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนานต้องเข้าใจจริงๆลอยแปดคนนั้นทําไมจึงไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไร เพราะเขาไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ปฏิบัติกับร้อยแต่คนนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทํามาแล้วท่านว่าเราเคยได้ดีมาแล้วให้ทานท่านก็ทำมาแล้วทํากรรมฐานจนได้สมาบัติแปดสมาบัติเจ็ดไม่ต้องพูดนะเข้าฌานออกกานคลองแคร่ร่งไหวเหมือนกับอาจารย์ทุกแ ง, ง, ง่ทุกมท่านก็นทำมาแล้วอันนั้นยังไม่ได้เปลยนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นทางปฏิบัติท่านว่าอย่างนั้นปฏิบัติได้แต่มันยังไม่เป็นที่ เป็นทางที่จะเข้าไปถึงที่สุดของทุกได้ช่จากนั้นมากรมาอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจอันนี้ก็พระองค์ได้ทำมาแล้วทุกอย่างนั่นี่ทุกอย่างเลยอันนี้ก็ททำมาแล้วคนอื่นจะทำเหมือนพระองค์ไม่มีท่านว่าอย่างไรจะทานอกเหนือนเราไปไม่มีเพราะเราทำถึงที่สุดจนจะตายนะเข้ากินเท้าเม็ดเงาต่ละวันละวันนะครับครูบาอาจารย์น้อยฟังพ่อแม่น้อยฟัง บัด น, นี้เราจะไปภาษาอะไรที่พวกเราทํากันทุกวันนี้บัด น, นี้พระองค์ไม่ต้องพูดเรื่องผลละไมกินข้าวนางสุ ด, สดาสมบูรณ์แล้วเนี่ยกินข้าวสมบูรณ์แล้วที่ยังได้ตัดสรู้เป็นพระพระเจ้าเพราะการทําทางใจทํางจิต ท, ทางใจบัดเดินนี้ทําทางจิตทางใจทํำยังไงไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่รูนีลยแต่คนอื่นอาจจะรู้แต่หลวงพ่อว่าทําทางใจหลวงพ่อต้องไปดูลมหายใจเป็นอย่างนั้นหลวงพอ่อนั่งข่มสงบ นี่อันนี้แหละใช่ว่านํามาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเพื่อทําความเข้าใจกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามจริงว่าสัมมาทิฏฐินั้นอ่ะใครจะตัดสินให้ไม่ได้พวกร้อยแปดคนก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้เราทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้นท่านรู้จักแต่ท่านก็จะพูดว่าพวกนั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ยินท่านว่าเดละสารวิสาได้ยินเฉพาะปานนั้น เดรัศสนีสาหมายถึงสิ่งที่ขวงกัน้นครูบาอาจารย์เลาให้ฟังเป็นสิ่งที่ขวงกัน้นไม่ให้เรารู้มรรคผลนิพพานไม่ให้เราเกิดปัญญาการเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ได้ยินว่าอย่างนไ้นี่ว่าเดรัศสนีสาถ้าองค์ศัดไว้อีกฉื่นคาสั้นๆเจนหลวงพ่อไม่รู้อายุสี่สิบหกปีหลวงพ่ อ, อยังรู้เรื่องนี้ทําเราใดเถิดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้น ไม่เป็นธรรมไม่เป็นเวทนายไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติมันให้โทษว่าอย่างนั้นท่านว่าแต่ไม่รู้หลวงพ่อหลวงพ่อไปนั่งภาวนาเหมือนแข้งขาเนี่ยเวทนาเวทนาเวาแต่หลวงพ่อไม่มีสัญญาเวทนาตัวนี้สัญญาหลวงพ่อไม่มีแต่รู้สึกว่าเวทนารู้กแก่สัญญาไม่มีนานนานแล้วก็หายเลือนไปเลยเวทนาเนะหายนั่งได้หลัก แต่บางครั้งนั่งนั่งขัดสมาธิขาเกี่ยวกันอย่างนี้เนี่ยทาให้ดูกระได้ที่หลวงพ่อเคยทํามาแต่เมื่อเป็นน่นทําอย่างนี้พูดเถอะทำนี่ว่าทําให้หมดฤทธิ์นะทําให้นั่งทําอย่างนี้หลวงพ่อทำเป็นนินทําอย่างนี้ทีเดียวเนี่ยทําอย่างนี้ขาหลวงพ่อจิวมันหลวงพ่อนั่งขัดสมาี่ว่ามันเทียบได้ทำอย่างนี้หลับเลยหลวงพ่อไม่รู้เลย เอาหัวมือไปจดกันี้กันหลับหลับแต่เหมือนอันนี้ก็ทนเอาเวทนาเอาจําเป็นเวทนามันเป็นอันนี้จงเข้าใจว่าอันนี้เป็นทุกขังเป็นไน้จังไม่ใช่เมื่อมาเข้าใจอันนี้เป็นทุกขะเวทนาทุกโศกโศกาทุกไข่ลำไส้ไม่ควรทําอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเลยอันนี้แหละทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองนั่งจนจิตตายเจ็บแค่งเจ็บขาเจ็บมุนเนี่ยก็ยังไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อยังอ้อก็ดีเหมือนกันเพราะหลวงพ่อทํามาแล้ว เรื่องเพลนี้ใครจะพูดหลวงพ่อฟังได้นี่จากนั้นมากินข้าววันละมือ้อกินตอนเช้าอืมกินตอนเช้าทํางานทํางานเหมือนกันแต่ว่าทนได้นานๆมันขยับเพิ่ให้มันน้อยไปก็ทํามาพอสมควรเรื่องมันอันนี้ก็เบียดเบียนตนเองร่างกายมันต้องการต้องให้มันแยกลงพ่อกระทำหลวงพ่อไม่รู้ว่าเบียดเบียนตนเองนี่เป็นยังไงหลวงพ่อไม่รู้นึกว่าตัวเองได้ถือศีลแข้งขดเนี่ยเป็นอย่างไั้นืนึกว่าตัวเองได้นั่งนานๆ ภาวนาใช่ควมมหนักแน่นในใจไม่มีเพราะเราไม่เห็นแผลเราแผลที่มันลี้ลับเราไม่เห็นเลยอันนี้แสดงว่าการกระทําทุกอย่างนั้นอย่าพึ่งเข้าใจง่ายเกินไปและอย่าประตัดสินใจง่ายเกินไปเพราะท่านสอนว่าร้อยแปดละทิร้อยแปดอาจารย์บางทีพระสงฆ์องค์เจ้าไปสวยจับเอาละทิอื่นมาสอนเราก็ได้ครูบาอาจารย์ไปจับเอาละทิอื่นมาประเมินเขา้า ปะํะวลเขาเป็นคําสอนของพระพิจ้าก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้เนี่ยที่น้อยแปดคนอาจจะปะปนกันข้าว่าจะเป็นคําสอนของพระพเจ้านั่นเป็นจริงอยู่เพราะว่าการให้ทานทําได้เหมือนกันศาสนาคิดครียลอนุเครข้อสงเฆ์ข้์พวกที่ถือศาสนาพุทธเรียกว่าให้ทานเหมือนกันอันนี้นี่การให้ทานและในประเทศอินเดียก็มีคนขอทานมีคนให้ทานเหมือนกันดีแล้วอันนั้นแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกเป็นเรื่องสังคม เรายังยินดีต่อการให้ทานยินดีต่อการรักษาศีลยังมีเสียงเยินยอสนอเสริญกันได้ยินดีปาติตเบต็ดอนไรแบบ น, นี้พูดเป็นอิสระบรรเนี่ยอ้าวไม่ต้องติดภัยเลยบรรเนี่ยเป็นอิสระเลยไปไหนมาไหนตามชอบใจอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันเป็นอย่างเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเองนี่เองอพูดแล้วพูดอีกนั่นถ้าพระเจ้าก็เลยประพูดว่าจัดทั้งหลายคือเราแต่ทาคต สัตวทั้งหลายเหมือนเราแต่าคตคือกันเมื่อยังไม่รู้ต้องซีนนซีนีน้นนไม่มีจุดจบเลยแล้วคนผู้เดินตามจะไปที่ไหนจบ ก, กันที่ไหนที่มันจุดจบว่าเป็นอริยสัจมันะไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่รู้คำว่าสัจจะ ก, ก็หมายถึงของจริงอห้าแม้ข้าสัตว์อาทินากาเมโมสาสุราทีกระลโพน่งจะกรทีแต่อุจาสาทะลุไปเป็นสินส้นสิบสิ้นยักษ์ไปเนื่องก็ถือว่าสัจจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยหลวงพ่ไม่รู้ อายุสี่สิบหกปีแล้วใครจะพูดยังไงฟังได้คําว่าสัจจะนี่รู้จริงๆแต่คําว่าสัจจะเรียกของจริงนะแต่ไม่ต้องพูดเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทยัยได้หล่นมากสัจจะอันนี้อันนั้นมันเป็นคําพูดบางทีพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะมันหลายคนเนึ่ยทุกสมุทัยได้รล่นมากกายวิทยาจิตธรรมนีม่พูดได้วิทยาาสตรเพราะตํารามันมีบางทีพระพุทธเจ้าอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้หรือจะพูดเรื่องนี้ก็ได้เป็นอย่างนั้นนะ มันนั่นการทําความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอริยสัจจริงๆข่มรู้สึกตัวสัดจากเรื่องของจริงบันนี้คนอื่นจะมาดีเหนือนเราไม่ได้รู้รเรื่องเาไม่ได้หลวงพ่อกำมือในคนอื่นเห็นหลวพ่อกำมือแต่รู้หลวงพ่อสัมผัสหนักเบาขนาดไหนไม่รู้หลวงพ่อพิจารนี่ทุกคนมองเห็นแต่หลวงพ่อมีความสัมผัสหนักเบาทใดไม่รู้เนี่ยแ่ว่าข่มลู่ของตัวเองเนี่ยดีเท่าที่ตัวเองรู้จริงแต่คนอื่นจะรู้ดีคนเราไม่ได้เชอน จำมีแผ้เราอยู่ที่ไหนที่ลี้ลับเราจะรู้เองคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้นี่เรียกว่าสัจจะทุกคนต้องไปที่นี้วันนี้รัตเข้ามาเลยเป็นอิสระจริงๆคําว่าอิสระเนี่ยหมายถึงไม่คล้องแวะไม่สนใจไม่สงสัยคาว่าไม่สงสัยด้วยไม่รู้ไม่ใช่ยอย่างนั้นคาว่าไม่สงสัยหมายถึงเราเดินมาแล้วทางสายนี้เราเดินมาแล้วเรารู้พระพุทธเจ้าจึงรู้และจึง ว, ว่าพวกเดรัจฉานศีรษะ ดีสาขวงกั้นทันทีพระพุทธธรรมมาแล้วนี่แค่เข้าสารออกสารได้มาอดเข้าได้ทุกอย่างาพระพุทธเจ้าทำมาแล้วจึงว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาค ต, ตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทําอย่างเราตาถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเต็มจะมีอย่างเราตาถาคตนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วนี่เห็นอะไรก็เห็นตัวเหล่านี้เอง เคลื่อนไหวโดยวิทยาความรู้ท่านจังว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนัง่งนอนให้มีสตริรู้ท่านว่าอย่างนั้นเองเราก็ยังไม่ได้เข้ามาที่นี้เราก็ไปเรียนตานําราเข้าใจอย่างนั้นเท่านั้นกันยังไม่พอท่านจึงว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เยียอเคลื่อนไหวคําว่าคู่เยื้อเคลื่อนไหวเนี่ยหมายถึงอะไรแข้งขาเนี่ยมันเข้าไปตามข้อมันนะ ที่เอาที่นี้พับเขาเหมือนไม่ได้แขนเนี่ยมันต้องพัดที่ตรงนี้นี่พัดที่ตรงนี้แล้วก็ต้องให้รู้จักว่าคนอื่นจะรู้เห็งเนี่ยเราไม่ได้บันนี้มันพิษตานี่จะนือขึ้นครึงเยื่อที่กับมันกันไม่ได้เนี่ยเพราะมันมันพิษขึ้นมาอย่างนี้บันนี้มันเลือดไส้แหลกหัวกอรูนบันนี้มันหายใจเข้าหายใจออกมันคิดก็รูบนี้ส่วนเคลื่อนไหวที่คนมองเห็นได้อย่างไี่คนมองเห็นได้พิษตามองคนเห็นได้หายใจคนเห็นได้จิตนึกคิดไม่เห็นเลย คนอื่นจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้เพราะใจเราคิดบัด น, นี้พระพุทธเจ้าจึงว่าพระวักกะฤทเนี่ยพระวักกะฤท์เนี่ยบรรดูพระพุทธเจ้ารูปสมอันนี้ก็จริงเราเคยพูดกันอย่านตัวผมก็เคยพูดอย่างนี้เพราะว่าสังคมพูดก็ต้องไปตามบัด น, นี้ก็ต้องตัดเนื้อลายบัด น, นี้มันต้องเป็นหนอตัดถ้าตัดจริงๆบัด น, นี้อันนั้นไม่จริงจริงแต่กินโดยสมมุติพระวักะฤทธ์ไปชอบพระพุทธเจ้าวันนั้นอันนั้นก็ทูกข์ เพาะยินดีในะอารมณ์ความสงบอันนี้เองเพราะมันคิดก็ยินดีในะความคิดว่าเจ้าของรู้อันนั้นรู้อันนี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้หมายถึงอันนั้นถ้าวักเล็กนีหนีจากสัง น, นักเหล่านี่หนีไปอย่ามาอยู่ใกล้เราเพราะวักรล็กเขจะไปโจรเหว่ตายเลยก็เสียใจที อ, อกครั้งพอดีบอกให้ทําจังหวะเคลื่อนมีแรงๆเนี่ยไม่อยากทําเลยเพราะกรรมฐานเป็นอย่างนั้นหนีไปให้พน้นก็หมายถึงหนีจากความคิดมีอารมณ์นั่นเองอย่าไปติด อย่าไปคล้องแวะอยู่อารมณ์ที่เรารู้นั้นทันว่าอย่างเลยและควรคิดที่มันปรุงแต่งอย่าไปติดไปติดอันนั้นนะ่ะมันอยู่ในตรงทันวันยังมันเป็นคําสมมุติทั้งนั้นและพวกเรายังไม่ถึงที่สุขของทุกมันจะไม่รู้เลยไม่ใช่หนุู่พอเป็นพวกถึงที่สุดของทนะุกเนแต่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเสมอตัวทุกคนมีเหมือนกันเข้าใจอย่างนี้ทำไมจะเสมอตัวมีก็พวกหมู่ก็มีแทนมีขามีตามีเท่าเหมือนกันนี้ เป็นผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันเป็นผู้ชายก็เป็นเหมือนกันมีธาตุซี่คือธาตุดิานธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือกันมีคือกันเมดแต่เต้เตี้ยนแปลงไม่เหมือนกันเป็นบางส่วนนั้นทุกคนก็ต้องรู้แต่ใ จ, ใจคิดเหมือนกันเชื่อว่าธรรมะอันนี้เจะไม่เป็นของใครเลยเมื่อรู้แล้วจะสังวนลิขสิทธิ์ไม่ได้รู้แล้วจะไปสอนคนอื่นให้เขารู้ทันทีก็ไม่ได้มันต้องลงมือทําเองอันนี้จะว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองทันวันย่างนั้นอันนี้ที่จะพาตัดวันนี้นะ จะพาตัดเรื่องอริยสัจพรา่ออริยสัจเนี่ยคำว่าทุกสมุทยัยมีรสมากทุกมีจริงสมุทัยมีจริงมีรสมีจริงมากมีจริงเลยกับไม่ต้องพาตัดตัวนี้หลวงพ่อจะพาตัดตัวสัจจะมีทุกคนต้องตายคนไทยก็ตายคนจีนก็นตายคนฝรั่งหรือคนยินคนทรายพาทรงองค์จะกษ์็ตายนี่เป็นสัจจะอันหนึ่งเนี่ตายสองจะุกคนต้องเปประจบอันนี้จริงจริงเนี่ย สามนี้ในพ้นถ้าเราทําจริงๆมันจะได้รู้เดี๋ยวนี้สี่เกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเหมือนกับที่เอาไฟเอาไม้ไปยังไม่แห้งพอตามไม่ดีพอตามไปสูบไฟแล้ววันนี้ไฟไม้มันเป็นเท้าขาวๆอันนี้เท้าไม่หยิบไม่รู้อันนี้เท้าไม่ตายไม่รู้ถ้าไม่แห้งไม่รู้เป็นเท้าเหมือนกันแปลว่าเราจะตัดทิ้นว่าตายแล้วเกิดกัไม่ได้ตายแล้วศูญก็ไม่ได้ขอปรึกษาทัานสอนอย่างนี้ตายแล้วเกิดกระพิด ตายแล้วศูนย์กับศิษย์นี่ก็เป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาดังนั้นเราต้องประสบจริงๆเรื่องนี้ถ้าหากไม่ประสบในนี้ชื่อว่าเรายังไม่คาดหรือหลวงพ่อเคยทําให้ดูจะน่าจะทําดอกพูดเอาเสื้อพุกนี่พู่งนี้ตัดตรงกลางทับเมื่อเสื้อมันตัดตรงกลางทับมันดจริงๆเสื้อมันจะมาติดเสาทับแน่แน่อยู่กับนี้เลยถ้านนั้นก็จะแน่แน่ตัวดึงเข้าไม่ถึงกันเลยเพรามันคาดแล้วอันเนี้ยมันคาดแล้วอันนั้นเนี้ยท่านจะรู้เองจะตัดสินใจปุ๊บผมนั่นเลย นี่แหละสัจจะแล้วของจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนพวกเราขันวายนาซีกับพวกเราก็จะตกใจญาติโยมไม่อยากปฏิบัติธรรมพ่อไปเสื้อตำลาญาติโยมปฏิบัติธรรมถ้าหากรู้ทำเห็นทมเข้าใจทำเป็นพระรยาบุคคลแล้วถ้าได้บวชต้องตายเลยนี่ขันวาย่างนั้นแล้วผู้หญิงก็ยันผัวปากผู้ชาก็ยันได้ปากเมียไปบันเนย์ก็ยันได้บวชบันี้หรือว่ายันก็ยันปลาลูกปลาหลานยันปลาทรัพย์สินงมรดก เข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อก็เข้าใจแต่หลวงพ่อกล้าหลวงพ่ออยากรู้รรมะเป็นยังไงหลวงพอ่อกล้าทำแต่หลวงพ่อกกลัวตายโยชเดี๋ยวเอาคนตายเป็นธรรมดาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นยังว่าเรื่องอสุภะไม่ต้องพิจนารณาเลยหลวงพอ่อยังว่ตัดตรงเข้าไปเลยอันนี้เรียกว่าลัดตรงไปไม่มีพลาดเลยเนื้อสัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อคิดเองนะแต่หลวงพ่อเห็นอย่างนี้คนอื่นจะเห็นยังไงไม่รู้สัมมาทิฏฐิาแปลว่าคุณเห็นโูก ต, ตายีจริงตาจริงๆอันนี้ใครจะว่ายังไง าภาษาอังกฤษเขาจะว่ายัางไงไม่รู้เนภาษาคามนภาษาอินเดียจะว่า่าคนไทยต้องรู้ว่าตาภาษาอังกฤษเขาปฏิบัติเขาจะรู้ว่าตาเขาเขาจะว่าภาษาของเขาบันนี้คนไทยปฏิบัติเขาต้องรู้ว่าตาอ้าวบันนี้คนไทยเมื่อปฏิบัติอันนี้รู้อันนี้จริงๆแล้วบันนี้บันนี้เดินไปละกิเลสได้อ้าวคนไทยเขาจะว่ากิเลสก็ได้เลือกประเทศอังกฤษว่าอย่างก็ได้กิเลสหมายถึงอะไรไม่มีเจดียวนี้เนี่ยทุกคนไม่มีโกดเลยอยู่ดีไม่มีโทสะโมหะโลภไม่มี เพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เองงานจึงจเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเมื่อเราเดินทางไปเนี่ยเห็นต้นไม้อันนี้เห็นต้นไม้หลวงพ่อไว้ป่ะเห็นกันไม้อันนี้นม ไ, นน ไ, มนนไม่ไปสดุดเลยแบบนี้เมื่อสัญญาตัวนี้ทำเกิดขึ้นมากขึ้นมาเลยโทสะโมห oh ะโลภะไม่มีเลยมีขึ้นมาเพราะเราไม่มีสัญญานั่นเองเมื่อเราไม่มีสัญาาสญาตัวนี้ด้วยว่านานสีอา้าวหลวงพ่อจะเปี้ยนนานสีนานสีเต็มกระป๋องคุณภาพรอยเปเ็น น้ำสีแดงเอามาลงน้ําเอาผ้าขาวไปซุกน้ําแดงไปทันทีเลยเพราะไม่มีสัญญาตัวนี้เองบานนี้เอา้าน้ำสีเต็มกระป๋องทูกไม้ไปแล้วบ้า น, นี้เอาไปลงน้ําเอาผ้าขาวไปซุกมันจะไม่ติดเลยเพราะสัญญาตัวนี้กันไว้ที่ว่สวาสิ่งจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่งางเงียเพราะมันเป็นการที่วันหนักแน่นจึงไม่ลงไม่ลื่นแนบแนบ่อยากับสิ่งเหล่านั้นอย่าที่ว่า มันหนักแน่จอดมีศินหลวงพ่อพูดจะเนี่ยไม่ต้องพูดอารมณ์ลุบนำนะบัดนี้จะพูดเข้าขั้นเลยเพราะว่าอจกให้เวลาน้อยๆนี่ลูกขันลูกมีศิลเวทนาขันเวทนามีศินสัญญาขันสัญญามีศินสังขารขันสังขามีสินวิญญาณขันวิญญาณมีสินก้อนทีจะมีสิลกับพะมีสัญญานั่นเองถ้าไม่มีสัญญาแล้วไม่มีศินเลยเพราะเราหลงเนี่ย เพราะเม้เ่ยมันเข้ามาปั่วสาตาเราเลยบัดนี้เราเรามีศิีลเนี่ยคู่ต่อสู้มาเอาเอาขึ้นมาเลยขึ้นในเวทียกหลุมตาเลยใช ส, สองตาเนี่เลยคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้ทุกครั้งไปดังนั้นการเรียนตำราดีแล้วดังนั้นหมอโมยหมอโมยนี่นะจะเป็นเรียนจะครูมันแล้วเป็นเซีนเปี้ยนได้ไหมไม่เป็นเป็นไม่ได้เพราะยังไม่เคยเข้าสู่กับครูต่อสู้มันเลยดังนั้นการเรียนตำราเพ็นไดเพ็นเทียงเพ็นที่เท่านั้นเอง การให้ทานก็ตามการรักษาสิ่งกม็มันเป็นขนมรานเนียมเป็นประเพณีบัด น, นี้ก่อนที่จะเป็นแซมเปี้ยได้ต้องต่อสู้ในเวทีทุกเวทีคนนั้นใหญ่กว่าเราสูงกว่าเราน้อยกว่าเราเนื้อกำนานก็เราไม่ต้องคิดเลยอันนี้พูดให้ฟังขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้ครูเลยเพราะเรียนมาแล้วกับครูย่างไปถ้าเขาซกเราคือเป็นธรรมดาเราไม่ได้เที่ศาสนาเราไม่ต้องซกเลยพอดีคู่ต่อสู้เข้ามาไม่ต้องมองที่ไหนซกแข้งซก ข, ขามันจะไม่อยู่ ซกลุ่มตาแค่สองตาปุ๊บควมขันเลยถึงมันจะไม่เจ็บมันก็มืนตาไม่ได้แต่มันมืดเนี่ยเอาลองดูก็ได้มึดๆไปก็เอาเราก็เข้าไปจะบปดหัวไม่ได้ก็ได้พอเดี๋มันลุกขึ้นมาเตีตาอีกทิแล้วเนี่ยอันนี้นนะจะได้เป็นแต็มเตี้ยนเห็นว่าอย่างนั้นอันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันสมมุติพูดให้ฟังดังนั้นเราไปติดตํำลาอยู่กับเหมือนนกติดสังนั่นเองเราออกจากตาลาวางไว้ตำลาอย่าไปทําลายถ้าไปทําลายไม่ได้ ดังนั้นเมื่อใดยังไม่วางทำลายแล้วก็คูกพันเดียวนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอุปาทานก็ได้คิดว่ายังไงก็ได้จริงไหมคำว่าอุปาทานเนี่ยมันลึกรับซับซ้อนจริงๆดังนั้นคือว่าทุกคนต้องเดี๋ยวนีววนะ้เนี่ยไม่ได้คิดถึงําลายเสด้วยนะฟังเนี่ยหลักชนะจิตใจอันนี้แหละมันจะไปว่างไปเนื่อว่าว่างๆคาว่าจิตว่างว่างๆเนี่ยมันไม่ใช่จิตว่างว่างๆไปได้ควรไม่มีอะไรว่างๆเข้าไปว่างๆเข้าไปมันจะพรามีสัญญาว่างๆเข้าไป เมื่อวางว่างอันนี้เข้าไปมันจะไปถึงที่สุดของทุกได้ทันว่าอย่างนั้นเมื่อไปวางว่างเข้าไปไม่มีอะไรมันจะขาดเองเพราะดูคุกคิดนี่เองดูการเคลื่อนไหวนี่เองการทําให้มีความรู้สึกอันนี้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่หลงเนื้อไม่หลงตัวไม่หลงกายไม่หลงใจทั้นั้นใจมันคึ้ปตึ๊บใจเห็นทันทีเพราะหนูกระตัวโตแมวกับตัวโ ต, วตวมีกําลังเสมอกันแต่แมวไม่เคยกลัวหนูเลย นักโมยคู่ต่อสู้เรากว่าเช่นดียวกันคันถ้าเขากลัวเขาจะมาสู้เราทําไมเมื่อเขาเคยซกมาหลายวิธีเหมืนก็เราก็ไม่กลัวหนูก็เช่นเดียวกันถ้ามันกลัวมันไม่ออกมาเลยมันไม่กลัวมันจะออกมาขอดีมาเจอแมวเข้าจับพุบตายทันทีเลยความคิดประเภทนั้นก็เช่นเดียวกันพอดีมาเจอกับการเห็นแจ้งการรู้เลยมันจะดับศูนย์ไปจริงจริงแต่ไม่ใช่ดับศูนไปมันใช้มันยันบุกคิดนะบนในอันนี้หนึ่ความคิด ออกหน้าแล้วไม่มีโอกาสทีอัลนาได้ต้องเอาคนเห็นแจ้งออกมาไปวังว่า ง, างไปวังว่างคัดไปเองไปบ้างนั้นเข้าอารมณ์นั้นเข้าอารมณ์นี้ไม่ใช่ตรงกลางแล้วนั่นคือมันก็ไม่เห็นแผลอันนั้นเองตํามิเราที่ลี้ลับเราไม่เห็นคือตมตนิของเราคือว่าสมมุติเอาไ น, นอารมณ์ชอบใจล้วก็เข้าไปวิภาควิจารณ์อารมณ์ไม่ชอบใจแล้วก็เที่งเนี่ย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 พอเดมมันจะเห็นสิ่งนี้แล้วมาผ่านหน้าเราตัดปุ๊บเพราะมันเห็นเป็นกั้นเดียวทีมิ๊แต่ไม่ใช้สมมุตินะไม่ใช่คิดเอานะความคิดจะไปว่างเนี่ยเพราะมันไม่มีเครื่องอะไรพอดิตัดปุ๊บมันก็อ๋อทางออกนี่เองนกยิงออกจากตุมไม่นา้เพราะมันตัดอันนี้ไม่ได้เราเดินไปเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมาติดมาพันเราไปว่างๆเห็นแล้วก็ตัดแบบโอ้ทนนี้เองนะพอดีตัดออกไปแล้วแบบเดว่าคนหมดกิเลสแล้วตายจึงไม่เกิดแล้วคุณ ว, ว่า คนไม่มีเกลเลตตายแล้วเกิดเรื่องทันี้เองเรื่องท น, นี้เองไม่รู้อันนี้แหละหลวงพ่อโทแม่พระพุทธเจ้าหรือใครพูดว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่เ็บปีแล้วจะมีอั น, นิสงส์ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารต้องเป็นพระนางคำเทศมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีถึงอายุสี่สิหกปีไม่รู้ทิศทางไม่รู้ทางออกเลยอยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำแม่ไม่รู้จริง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 ความทุกข์ก็จะไม่มีความสุขก็จะไม่มีความสงสัยก็จะไม่มีใครว่าไม่มีอะไรทั้งหมดล่ะจะว่ายังไงไม่มีอะไรนี้จะว่ามีทุกข์หรือก็ไม่ใช่จะว่ามีสุขหรือก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่ใช่คือไม่มีอะไรก็แล้วกันทตอนั้นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่เหมีอันนั้นจะอีกคนละเรื่องกันให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเละถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีเห็นไหมถึงที่สุดแล้วหยาญย่อม เมื่อขาดทุ๊กเนี่ยไม่เกินพอวินาทีจะมีอันมาตัดสินให้เรา ท, ทันทีก็เพราะเราเห็นแจ้งนู่นจริงตำหนิของเราที่ลีรับกรจ้เห็นทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังตัดกระแสอันนี้ไม่ขาดแล้วพระพุทธเจ้าจะด่าพระวักกะลิศหนีไปให้พ้นพระวักกะลิกหนีไปให้พนห้นอันวาย่างนั้นเพราะเราไปติดกับความคิดติดกับคนดีเนี่ยมีอารมณ์ติดเอาต่อันนั้นไปอัน น, น, น, น, นเนี่ยไปไม่ได้เราพระพุทธเจ้าว่าหนีไปพระวักกะลิศไม่ใช่ติดตัวคนนะไม่ใช่ตัวคนอันนี้ย วางพระวัคคลิตบางขบคิดอันนั้นถ้าเธอไปติดขบคิดอันนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาจะพ้น จ, จากทุกข์อันนี้ได้อาจจะพุอย่างนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าดอกพราะว่าพระคคิตรไปติดุมยินดีอันนั้นเธอไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นลวงตายังไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแท้มันเป็นพระพุทธเจ้ามาลวงตาท่านจริงจังไหเห็นพระพุทธไม่ใช่ทองคําเห็นพระคำไม่ใช่บรรลานเห็นลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์ทันวายนั้นแต่เราก็เลยไปเห็นพระพุทธ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 แม่ทางยากอาจจะเมื่ อ, องอยู่ในท้องมันจะมีจำบุได้แท้ๆพอมุขจักหน้าพอเนี่ยถ้าเกิดออกมาแล้วต้องเห็นหน้าพอจริงๆแล้วก็จะจําได้จริงๆดนงนั้นทางไปหาพระพุทธเจ้านี่ไม่ยากถ้าทําจริงลรารับรองได้รับรองตัวสัจ ญ, ญาว่าทุกคนต้องอปตระสบวต้องตายเราจะตายโดยคนไม่รู้หรือเราจะตายโดยคนรู้รเราจะอยู่เป็นคนด้วยคนทุกข์หรือจะอยู่เป็นคนด้วยคนไม่มีทุกข์เอาเท่านี้ก็พอ ถ้าหากว่าเรายุ่งเป็นคนด้วยในทุกรีบศึกษาเร่งปฏิบัติทําความรู้สึกตัวมันคิดอยจะไปยุ่งกับความคิดมาเอาไว้ความรู้สึกนี่เองจงเทุกต้องกําหนดรูปตัวนี้เป็นก้อนทุกมันเป็นก้อนทุกอันนี้มันเคลื่อนมันไว้ตลอดเวลาสมมุทยัยต้องละตัวคิดเป็นตัวสมุทยัยสมมุทยัยจึงทาให้ทุกเกิดมันยุ่งเป็นฝาบังยู่บางทีเมื่อมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรามหาตัวนี้มาหาตัวนี้มันข า, ขาดผู้เดียว ม, มัน มักต้องจเจริญทํำรวมเคลื่อนไหวได้มากๆนกโนดทําให้เจ้างารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้จริ ง, จ, งจริงพระพุทธเจ้าทั้งสิ้สอนไว้สัตทั้งหลายเราผู้เป็นสตัตว์ขดไปถึงแล้วแหงนคือไปถึงที่สุด ข, ของทุกเจ้าเป็นของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนจีว่านิพพานสมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นสมบัติของสัตว์เกระสานดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดกระแสอันนี้แล้วมันจะไม่เข้าถึงมันจะไม่เข้าถึงจริงๆ ที่พูดให้ฟังในวันนี้เพือเพราะความวลคมรู้มาแล้วมาอบรมกรรมฐานตั้งแต่วันที่30พูดให้ฟังเช้าเย็นสันเช้าสันกลางวันเลางพอพูดถ้าหากไม่จำปิดแต่โดยมากก็ต้องพูดทุกวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนมกราเป็นปีใหม่แล้ว 2,530 นักปฏิบัติก like ็มีผู้ที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติจากที่ก็มีแต่บางทีไปปฏิบัติที่อื่นมันก็มีนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าจะมาปฏิบัติที่นี่ให้เรารู้ให้เราเข้าใจอย่าไปเหลวไหลไล่สาระหลวงพ่อเคยถามคนมาหลายคนแล้วยังนัดทันคนมีคุณเกิดเมื่อไรเขาว่าเกิดเมื่อนั้นมื่อถามคุณก็ได้คุณอายุกี่ปีแล้วสี่สิบสามปีพ่อคุณจําได้ไหมพ่อคุณอายุกี่ปีคุณคุณนะ พ่อคุณตาย ย, ตา ย, ยังไม่ตายได้เดียนโอแม่กันยังนะงโอหลวงพ่อขออภัยเดเดียนพ่อคุณสอนคุณคําแรกเที่สุดจําได้ไหมไแน่แล้วจะไปซื้ออะไรสิเหล่านะเพียงอายุสิสิโโนเนาาขาตีรตเรายังจำไม่ได้แล้วคนเนี่ยมันนั่นดังอะโอ้พูดมากมันกับไม่ค่อยดีแต่มันก็จําเป็นต้องพูดเพราะเราพูดก้มริงตอนนั้นจะจิ้วสาดได้เลยแค่เพียงเกิดมาอายุสิสิ่ขาตีเรยังจำไม่ได้แล้วนี่จะว่ายังไงเนี่ยคนเนี่ยมันเข้าใจผิดกันจริงจริเนี่ย เรียกว่าเหลวไหลไล่สาระถนนนี่แหละกระตุ ก, กตมนยันเครื่องรางของขังดูลึกงามยามดีสิ่งที่ไร่สาระมีไว้เพื่อทําไหมมีไว้เพื่อหลอกคนโง่เท่านั้นเองัขาบอกคนโง่จะสุขเรีดได้คนบูฮุจักว่าัะเกิดแค่น้อยนึงแต่ความจริงคนบูฮุจักกับโง่ไม่อดีตกันโง่และอ ย, ยังเป็นทังสันติมันบอกอย่างให้เขาหลอกเขาต้มนี่ฉันคนสลาดคนบูฮจักที่มาตัวเขาได้อย่างไรเขาว่าก็สร้างเขาและเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขา นี่แหละมันตัดโบขาดทั้งหมดเลยแม่ไปจเจริญนิพพานาก็ยังตัดไม่ขาดให้ท า, น ม, า, านมันก็ยังตัดไม่ขาดรักษาศีลมันก็ยังตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นพลงตรงตังมันอีลงตรงตังมาสักพันวานนะ บ, บวชบอกจะวอลไปแล้วข้อนะั้นบวชต้องวอลไปมันท่วงละไว้ท่วงค่มเจริญเล ย, เ ล, ยเลิกทั้งหมดเลยเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นเองแต่ว่าความรู้สึกได้เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เปลี่ยนอ น, นาคต รู้เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้เมือกี้นี่มันไปแสดงอย่าไปสนใจมันยังว่ามันคิดแล้วก็แล้วไปมันคิดดีก็ตามคิดเลวก็ตามเขาปัจจุบันนี่แหละเดินไปเดินไปมันจะเป็นเองมันคว้มเป็นเองมันไม่อยู่เรียกว่าสัจจะมันจะตัดเองมันนี่ว่าสัจถาตัวนี้มันเป็นเพชรจริงๆแล้วมีมัจจุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ทําไมเราไม่หงายของที่ค่้มเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีหงายขอมันหันแม่นเข้ามาสิทำไมจึไม่หมุนออกไปมาไข่ออกมา แล้วคนผู้มาให้บบบนี้เอาหันเข้าไปหันยิ่งหันก็ยิ่งติดแบบนี้หลวงพ่อมาให้กุญแจปลักตายกับกุญแจเรือนถ้ากุญแจปลักตายเอาสวมเข้ามา น, น็อตเบอร์ซียหมุนแต่ถ้าน็อตมันไม่ดีก็หมุนโคเล่มมันจะไม่ติดเอากระเจี๊ตักตายเข้าไปหันจับเงาเงาที่ท่วงที่มันไปเองถ้าจะจอบเบอร์ซี่มันไม่ไต่เบอร์เีมันติดเนี่ยเอาแท็กกระเจี๊ตักตายจับมู่เลยหาเลยเนี่ยเหมือนกับกุญแจ คนแจนี้ไปไขสุกเข้าไปบิดปั๊บน้อยเดียวนึงออกมาทันทีความรู้สึกนี้เป็นคญแจลูกเอกเป็นคนแจลูกเอกจริงๆเป็นคนแจที่พระพุทธเจ้าวางไวใ้วไไให้เหี ย, เเยวเนนเ ง, ง, งนนว่าศึกษาของเก่าไม่ศึกษาของใหม่แจนมาให้ยียดว่าโอยมันเห็ดไหมดอกแต่มันใหมเมื่อนี้แต่เมืองเก่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเกิดมาต้องเป็นรถอันเนี้ยคือว่าศึกษาของเก่าแต่คนไม่เข้าใจว่าหาว่าเป็นของใหม่ไม่ของคนนั้นแต่เมืองเก่าของเราของเก่าแท้ๆเราหมกคนให้มันเห็นของเก่า เรามาเห็นเมื่อนี้ก็เป็นของเก่าเมื่อนี้แก่ของจริงนั่นน่ะมันเป็นของเก่าอยู่แล้วเราไม่ศึกษาเพิ่งมาเห็นก็ว่าเป็นของใหม่ความจริงเป็นของเกานะ่าเห็นบอกคนเกิดมารู้จักพ่อแม่มาเคลื่อนไหวเนะี่ยบอศึกษาความรู้สึกนี้เองของเก่าแท้ๆเนี่ยเกิดมากับรู้สึกซะไรเลยแต่เราไม่ได้เกิดมากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นกระสรันหมายถ่งว่าของเกาเาง่าแท้ๆพาพระเจ้าจึงมาสอนเรื่องของเก่าจริงๆพวกเรามาทํานี่ก็ทําเรื่องของเก่าจริงๆ อยากให้รู้ต้นตอของเก่าจริงๆมันเป็นอันโพสะโมหะโลวงพานี่มันกลับไม่ได้ดีอยู่ที่เราเพราะเราลืมของเก้าเหล่านี้เองพอดีคนมาพูดฮนะปุ๊บวางตัวนี้ไปฝังตัวนั้นแน่เข้ามาตกหน้าเราแล้วเนี่ยสู้เขาไม่ได้แล้วเขาใจเอาแล้วปั๊บหนึ่งเนี่ยจะเป็นสู้เขาได้ทำไมคู่ต่อสู้อันนี้มันเป็นของจริงไงโดยนี้นี่ไม่มีโกด ไ, ไม่มีลบไม่หลงเลยพอดีพูดอึกระปับ๊บเดี๋ยวเบื้งหน้าเขาแล้วแนี่ยลืมโตไปแล้วอันคนหลงตนลืมโตเนี่ยเป็นพิษเป็นภยัย เป็นอันตรายลายการยันหนักที่สุด พ, พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเธอทางหลายจงยังข่มไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยท่นว่าแปล ว, ว่าประมาทในอย่างโบประมาทคือไว้พราะไวเมอ น, นันกกระทุกอยู่โบประมาทให้รักษาศีลนันกกระทุกอยู่โบประมาทในปัญวาย่าลงใจเพิ่นว่าสันมันคิดมาให้รู้จักเพิ่นว่าสันให้หลงเพราะว่าภาษาบ้านหลงพอนเสียนพอได้ลงคงคิดปั๊บประมาทแล้วนั่น ประมาทเนี่ยไ่ได้เห็นของที่เขาจิ้มมาไวา้เขาไม่ได้บุู้ัวจักเนี่พอได้มาเอาแล้วบอลเนี่ยต่ำป๊บเลยเนเจ็บบ้านนานเขานอกเอาแล้วบัลนี้เอามาคู่โต้บุ่มเอามาแล้วจีนใส่ลุมตาปั๊บเลยเนี่ยนี่บันได้เปลี่ยนแซีนเปี้ยนเนี่ยไวที่สุดความเร็วอันนี้มันไวที่สุดเนี่ยพอดูคู่โต้ซุ่มมาปั๊บใส่ลุมตาเลยอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดอันเนี้ยจะเดินไปหาทางโน้นต้องเข้าจุดนี้ก่อนจีบให้รู้สึกอันนี้ก่อนรู้สึกเข้ารู้สึกเข้า มันก็เป็นยางเหนียวแล้วแบบ น, นี้ดเด้วยเขาก็ยางเหนียวโยนเสร็จปุ๊บเป็นของแข็งตัวซีแล้วยหลวงพ่อเคยให้ขมูดเท็มปั๊บเนี่ยเสดนขึ้นมาปั๊บเลยนี่ยเนของแข็งตอกแข็งของแข็ ง, ข ง, ขงกระทบกันแล้วนีจากนี้ไปเลยโย่ไปให้คนเลยย่าไปติด่างทันดังนั้นที่หลวงพ่อให้ข้อคิดมานี่ของง่ายที่สุดตุ๊บตัวซีเห็นทันทีเลยอันนี้เราหลับตาโยนซสมันจีเห็นธรรมะอย่างนไม่เห็นเลยเพราะเราไม่ฟังเสียงอะไรจี่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกมามาทางนี้ มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไปเลยไม่ไปจริงๆคนเนี่ยจำนวนคนไทยถือศาสนาพุทธคนเท่าไห็กจากลานนีจากลานเหรอแล้วคนไทยทั้งหมดดิล้านคนห้าสิบล้านห้าสิบล้านคนจะไปหาพระพุทธเจ้าไม่ถึงล้านคนถ้าไปหาพระพุทธเจ้าตั้งล้านคนเรื่องเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องเนี่ยแม้การกระทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย โอ้มันน่าคิดจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้มันก็นไม่ไปเพราะเราไม่รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดคอคนเขาทําไปเขาตามถ้านอย่าพยายามเข้าถึงคนเพรางนั้นเองเข้าถึงเขาแล้วเขาจะได้รู้ที่ว่าความทุกข์ควา ม, มสับสนวุ่นวายเราก็เคยได้ยินมาแล้วหลายคนที่เคยพูดให้ฟังมานี่บวชมากันนานหลายคน เลียนจบปริญญายเอกก็มีกันหลายคนแต่พูดแต่คนละเรื่องกันนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะก่อนเสื้อไปทั้งหมดเลยเปเรียนมลคงน้ำคูบาอาจารย์เนี่ยคอเนี่ปฏิบัติธรรมรู้เบื้องแรกที่สุดอันนี้อมทุลีโทุลีกอกูมีแผ่นทองตั้งผ้ากั้นหน้าผ้ากูแกนปันเหินตีนกูแก้นปันเล็กก็เถอะขนแข้งกูท่อน้าําคาขนขากูท่อขนเมบนกูจักเต้นไปได้หอยยศผันว่าพญามนต์ทางหลายจะมาตั้งมาบังตรลกูก็เถอะพอดีเมีงงอตกเสีขาเนี่ย บืงเมองงอดตรงเมียงฟองนะรู้จักรูปนํานมาลุกลงคอบ้านมีอะไรก็โทสมมุตินี่จริงจริงแห่มันบังจริงๆเมื่อใดที่จะเปิดโลกอันนี้ได้เปิดได้ตั่งเต้เมื่อนั้นมาถึงมื่อ น, นี้โอ้ไชยว่ายังในเรื่องของเขาจรงไม่เป็นนกติดตังแล้วหลวงพ่อเด่นี้ไม่เป็นจริงจริงไชยวะยังเลยตายแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่สงสัยเลยแลนะ้อยากเกิดก็ได้เกิดไหมหรือไม่อยากเกิดได้ไม่ได้เกิดไหมไม่เห็นหไม่รู้เพราะตัดเส้นนี้ไม่ขาดเลย ถ้าตัดอันนี้ขาดแล้วไม่ต้องถามใครเลยใครจะมาถามปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีเลยหลวงพเคยถามปัญหาครูบาอาจารย์มาหลายคนแก้นน้นแก้นี้ไปมันไม่ได้แก้ทั้งถูกจุดเลยขันแข้งเนี่ยประยิบศรีรษะที่มันไม่มีแรงเลยบั น, นี้อ้อยไม่ต้องถามใครมันขันแข้งจับปั๊บมีแรงทันทียอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เนี่ยหลวงพ่อพูดทั้งวันก็นได้ให้พูดจนหมดลมหายใจก็ได้นี่แปลว่ารักษาอาวั ย, ยวะรักษาชีวิต เรหมายความว่ายัางไงเสียสลาดเงินทองเสียสลาดชีวิตหมายความว่ายัางไงเราก็ต้องการพูดควมจริงให้คนฟังเท่านั้นเองบัด น, นี้เราไม่ต้องการความจริงเสียแล้วคนที่พูดก็ไม่ต้องการคูดควมจริงเสียแล้วไปเราพูดได้ว่ะยอมเสียสลาดทรัพย์ยอมเสีสสยสเงินเสียทองเพราะเอยากตายพูดได้แต่เมื่อเอาจริงๆแล้วพูดไม่ได้เลยดังนั้นคนที่จะพูดได้ก็ต้องยอมหุวงพอเป็นลมมาเลยเอาตัดเลยหมอเขาเ้งต้องตัดทันทีเลยเขาไม่กลัวเลยคนจะตายเลยไม่กลัวเลยเขาจะตัดทิ้งเลย หลวงพ่อตัดออหลวงพาะหลวงพ่อตัดออกเลยหมอเขอบาบอกยันหลวงพ่อตายถ้าทีสองเขาตัดลำไส้ออกเลยคนที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเอ้าวมาเลยพวกพวกคนกล้าจับมือได้รับรองว่าไม่เกินสามปีจะเป็นคนจริงซะด้วยนะนี่คือาเป็นหมอที่จะให้ยาไม่ใช่ให้ยากินแก้โรคประสาทนะอันเนี้ยไม่ใช่ให้ยากินแก้ปวดหายนะจะเอาโรคให้หายอันเนี้ยต้องตัดเชิงเนื้อลายนะถ้าไม่ตัดเนื้อลายมันจะกลับคืนมางอกอีกตัมาเลยเนี่ย หลวงพ่อไปตัดหุ่นแล้วน้ำอินทะร์หมอเขาว่าหลวงพ่อจะหายไปได้ห้าปีไม่ถึงห้าปีเลยแค่สองปีปีที่สามกลับคืนมาแล้ววันนี้หมอเขาบอกว่าจะได้สามจะได้สองปีเลยได้มาแล้วเก้าเดือนแล้่ยังยังพอได้หยู่อันนี้ไม่ได้เจออย่างนั้นหลวงพ่อกล้าตัดจริงอ๋อตัดเลยถ้าหากได้ตัดสิในใจขนาดนี้พาตัดไม่ได้เลยเป็นหมอจะไม่ได้เลยหมอที่ไปลูกคำลูกหาเอ า, อ ย, า, เอ ย, ายาแก้ปวดให้กินแล้วได้เจ็บเย็นกินยาแก้ปวดโรคไม่หายรับรองไม่หายจริงๆ ถ้าไม่ผ่าตัดจริงๆอ่ะเอ้านิ้วมันเป็นโรคตัดทิ้งท่านิ้วนี่เอ้าแขนเป็นโรคตัดทิ้นี่คือคุณอะไรคุณที่เป็นครูมานี่น่ะขาเปะนะครูครูเนี่ยก็ครูเนี่ยนั่งอยู่ที่นั้ น, นอ่ะก็ต้องตัดใช่ไหมค่ะมันมันเป็นโรคเนี่ยต้องตัดหมอก็ต้องให้ยารักษามันจะไม่มันจะหายได้อันนี้คันปะไว้นี่ยเป็นโรคเลยมันจะกินไปทีเด็ที่กินไปทีเนี่ผลที่สุดตายเลยเนี่ยอันเราไม่กล้าตัดทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีหมอเรียนจาก มึงนอกมาพอดีเราไปเจอหมอมึงเนาะเอาตัดเรานาะผมไม่กลัวดอกเอาตัดเลยแต่ขอให้ผมหายจากโกรคก็แล้วกันมาเถอะเอารับรองได้สามปีมีเงินเดืนเท่าไหร่ตั้งอาจา ม, มาเลยเนี่ยกล้าได้อย่างนี้ละ่ะนี่เงิเดือนสิบาทออกปฏิบัติถึงสามปีนะอยากคิดให้วันละสิบบาทก็ได้อืมจริงๆนี่จะมาคนพูดจริงกล้าจริงแต่เพียงว่าจะให้ะลดโทสะโมหะโลภเนี่อ้าวให้เวลาหนึ่งปีไม่เกินเพียงลดได้อันเนี้ยอ้าวจะให้มันถึง ที่สุดของทุกเอ้าให้เวลาสามปีสมปีใครมานั่งสามปีนั่งยุคคุยสิก็ไม่เข้าใจอีกแล้วสามปีก็เป็นคนเสียสละจริงๆทุกไม่มีสนุกไม่มีเอา้าเนื้อทํามาจริงๆเนี่ยเอา้าหลวงพ่อคิดว่าไม่เกินสามปีเพราะตําราบอกไว้แล้วว่าอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันมีอเนกสงฆ์สอ ง, สองประการหนึ่งเป็นพระละหันหากไม่ได้เป็นพระละหันนั้นต้องเป็นพระอนาคามี อันนั้นเอาไว้ตําราหลวงพ่อทํามาแล้วตั้งแต่อายุสิกปีถึงอายุสี่สิบหกปีไม่รู้เมื่อมาทําแปดเดือนมันรูไหมทุกคนก็ต้องจะรู้อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วเนี่ยไปปฏิบัตินากันหลายคนแต่ว่าเคยพูดให้ฟังนะรูไม่เหมือนกันเพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็สําผัสเหมือนกันหลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นแต่ว่าไม่สนใจกับเพื่อนเลย ในห้อยพ่อมุกเนี่ยเป็นคนชอบพอกันดีโอ้ยไปคุยหลวงพ่อในี่ยหลวงพ่หาวิธีนี้ตากแดกหลงกวงพ่ไปยืนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวอไม่ตอบสามวันนะไม่มาแล้วนี่เพรว่าเรายากมีพักมีพวกเนี่ยให้ข่ามู่เดียวกันสร้างดีวกว่าอันนี้ก็คือการอันนี้ปัญหาเสียสวัสอวายานี้ยากจิงเขาให้พวกเซฟาลานหินด้วยท่านยากมีสินมีทําให้ข่าพอตีแม่อยากให้คนมาได้ข้ามู่เดียวกัน อยากมีสิทธิ์มีสันให้นอนดีเพื่อฟุ่นเฟือยหวานกันไม่รู้น้องพ่อจักรไอลรายเดี๋ยวนี้ขำพูด เ, เล่นอันนี้เป็นการสนุกสนานว่ากันเพื่อมันเพาะหูคนนั้นนีน้แต่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยอ้าวทาอย่างนี้แหละอ้าวทำให้ติดต่อกันเดี่ยพระพิเรี่ยงยู่วนสนาใ น, นก็มีหลายคนแย่เด่นจัว่าเปิดอบรมเทนี้ไม่เอาอย่างเดิมเนี่เป็นปฏิรูปไม่ใช่เป็นปฏิวัติแต่ปฏิรูปพระพิเรียงจะเข้ามาอาอกเอาเลยขาเจ้า บ้นหว อ, อเน่ยมอบหัวข้าวหยางมอบหาเข้าลกวันเป็นวนันคือมอบให้มาสอนแล้วต้องสอนทันทีเลยไม่ต้องพูดเอาพูดให้ฟังได้ไหมไม่ต้องเป็นปฐมมาเลิอกอะไร อ, อะไรนะคันถ้าเป็นปฐมมาเลิอกอยู่มันไม่ได้รู้ เ, เดินจะกรมที่เอาเดินให้ดูเลยเอาทาจังหวะทำให้ดูผ่าทีเดียรอันคมรู้สึกนนเนี่ยเป็นปฐมมาเลิกเพราะให้เขารู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยรู้สึกตัวนี่สอนเรื่องนี้ไปเอารับรองรู้เรื่องรูปนาำเนี่ยเอาให้สามสิบวันกําหนดเอานักสามสิบวัน ไม่พลาดเลยถ้าพลาดจะเสียอตตาารยให้เลยเอาเดือนหนึ่งเท่าไั้นตั้งอัตรามาเลยแต่ว่าคันถ้ารู้แล้วจะทํำยังไงก็ต้องมาสนับสนุนเปน็นวันเป็นอย่างนม้นี่อา้าวบัน้ทําจะเพียงให้ละข่มโกตรเนี่ยเบาลงเอาให้เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสี่วันถ้าหากเราไม่รู้เอา้าคิดให้เลยอาจารย์เงือนเดือนเท่านั้นคิดให้เลยถ้ารู้แล้วจะได้บันีนธอา้าวจ้องสนับสนุนเป็นวันเปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเรืยกว่า พุทธศาสนาจะเจริญขึ้นมาได้จริงๆถ้าหากคนไทยศึกษาตามหลักวิชาการของพระเจ้าจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้หลักวิชาการของพระเจ้าเรารก็ไปดูอตำราคุณตำรานี่ยอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้คือว่าแผลหนของเราคนอื่นจะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆมันอยู่ที่ที่รักไว้เลยเมื่อแผลของเราเราต้องรู้เองจังิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแท้เป็นว่าอย่างไรเนีอยสิ่งคนไม่รู้เราก็ต้องรู้เจ้ของเราเอาคุณเป็นแผลอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมตำมีแผลอยู่ที่ไหน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 เนี่ยเอาละที่ได้พูดให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรและจะพูดมากก็ยังยิ่งีมากไปขอให้เราไปตัดวงจรให้ได้นะถ้าหากไม่ตัดวงจรไม่ได้อย่าไปนอนหลับทับทิันเราจะมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนักทีเดียวที่อาจามาได้นําธรรมะ ม, มาเล่าสู้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรในเวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ในขณะนี้ก็บ่ายสองโมงกับห้าหกเจ็ดนาทีนานิการหลวงพ่อนะ อาจจะไม่ตรงกันนะของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนึงได้ว่านาฬิกาไขนาฬิกาเราดูของไขวของเราจี้ว่านี่แหละสมาธิของคุณยังไม่ถึงเทียงของผมมันถึงแล้วผพก็เสื้อของผมที่เพราผมเคยใส่ของผมเนี่ยผมจะไปเสื้อของคุณทําไมเนี่ยเขาจะย่างนั่งเ <c oughs> รียงว่าขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งถุออกตั้งใจทําผมรูสึิตยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืน ให้ว่าเข้าห้องนา้าห้องส้วมทําความรู้จึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นแผลเราเป็นสัญญาตัวนี้จะทําให้ปัญนาญานเกิดขึ้นเมื่อสมบูรณ์แล้วปัญญามจะรอบรู้ทันทีคําพูดน้อยแต่เป็นมากดังนั้นอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะเย็นอัจฉริย์นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระอันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทเจ้มาเตือนจิตตะิตใจว่าซื้อได้หนิเนี่ยเพราะว่าให้มาเตือนมู่ซื้อได้นี่เตือนจิตตกิตใจของพวกเราให้พวกเราทํำกลมรู้สึกยูแจ้งเหตุจริงตามกลมจริงอย่างที่อย่างที่พระพุทธเจ้ า, าตัดอเอาไว้วัดตัดทั้งหลายเราผู้เป็นสาธาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราถาถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตรับรองจะเสียสละทรัพย์เพราะอาวัยวะจะเสียอวัยวะพรรักษาชีวิตจะเสียชีวิตพราะรักษาข่มจริงอันนี้เอาไว้ที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคําพูดเนี่ยพู้ที่ไหนหลวงพ่อคนไม่ได้พูดคํานี้หลวงพ่อไปไม่ได้พู้ที่ไหนก็ตามผู้ไกลๆหลวงพว่อเขาต้องมาพูดที่นี่ถ้าไม่มาพูดที่นี่หนวงพ่อไปไม่ได้จัง่ะข่มจริงพวกท่านก็จะประสบจริงๆตกเหวถ้าหากว่าไม่มี วิธีจะจกเหวทุกเก้าทุกหนานจริงๆขอให้ทุกคนจงระสมพบเห็นในทีินี้จงทุกๆคนเธอ